เสียงอ่านหนังสือความว่างจากพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมโกษ า, าจารย์เงื่อมอินทปัญโยหรือท่านพุทธทาสพิกุความว่างหรือสุญญาตาหรือสภาวะแห่งพุท ธ, ธะหลักธรรมที่ถือเป็นหัวใจสำคัญและมีในศาสนาพุทธเท่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจผิดย่อมไม่มีทางปฏิบัติธรรมได้ถูกทางเหมือนคนไม่รู้ชัดว่า เป้าหมายที่จะไปให้ถึงอยู่ที่ไหนยอมเดินทางไปถึงไม่ได้เรื่องความว่างเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เป็นแก่นแท้จะเข้าใจได้จริงต้องปฏิบัติให้ถูกหลักและมากพอที่ต้องประกอบกับความเข้าใจในเชิงทฤษฎีร่วมกันการศึกษาให้เข้าใจความว่างที่แท้จริงให้ได้อย่างน้อยในหลักการเบื้องต้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตรงทาง ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงแห่งพุทธธรรมได้ในที่สุดดังจะเห็นได้จากหลักการของอริยสัจสีท่านกล่าวถึงนิโรธคือความดับทุกข์หรือนิพพานไว้ก่อนหน้ามรรคที่เป็นข้อปฏิบัติซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นให้เข้าใจเป้าหมายที่จะไปถึงให้รู้ชัดก่อนอันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติต่อไปเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดี รวมจัดทําเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวั์ครอบครัวอริยชาติพดุงกิจนิเศตอักวันโนเจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาครอบครัวเ อ, อียมวงศรีนาวาเอกจักรพัน์เมืองแมนชาติชายเตชะโจวีวัตวิชายดาบวงวิชาร่วมกับอีกหลายท่านฟันฟงได้จากท้ายเรื่องสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง